อของที่ทายกถวายเป็นมูลค่าปัจจัยอย่างหนึ่งคำว่าที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจํานวนมากคือที่เขาบริจาคเพื่อประโยชน์แก่คณะไม่ใช่แก่สงฆ์ไม่ใช่แก่บุคคลคําว่าให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นความว่าให้แลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยอย่างอื่นนอกจากที่เขาถวายชจชงไว้ต้องอบัตถุ ก, กฎในขณะที่ให้แลกเปลี่ยนของนั้นเป็นนิสกีเพราะได้มา คือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปเดียวภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเพึ่สละของที่เป็นนสิสกคีอย่างนี้